เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาในสองอาวาสสมัยนั้นท่านพระอุปนันท h a สากยบุตรรูปเดียวจำพรรษาอยู่ในสองอาวาสเพราะคิดว่าด้วยอุบายนี้จีวรจะเกิดขึ้นแก่เรามากครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า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 ในกรณีที่ภิกษุรูปเดียวจำพรรษาอยู่ในสองอาวาสเพราะคิดว่าด้วยอุบายนี้จีวรจะเกิดขึ้นแก่เรามากถ้าภิกษุจำพรรษาในอาวาสนนกึ่งหนึ่งในอาวาสน้อนอีกกึ่งหนึ่งก็พึงให้ส่วนจีวร อ, อาวาสละกึ่งหนึ่ง หรือให้ส่วนจีวรในอาวาสที่เธอจำพรรษามากกว่า